นี้กำมันูห น, นึ่งบนสมวนที่4เลยนครับหน้าหนึ่งร้อยแปดสิบแปดข้อที่เก้าสิบสองนะครับไปจีข้อสุดท้ายแล้วนะสุดท้ายสุดใจนั น, นี้ที่สูตรรูปใจให้กระทำจีวรขนาดเท่ากับจีวรท้าสุคต์หรือใหญ่กว่าต้องอาบัดปาฏิตตีที่มีการฝาดเป็นวินหัรกรรมเฉถานกับปาฏิตตีถ้าไม่ต้องอาากาด คำอย่างอื่นมีทําเป็นข้าม้านหรือไฮไลน์เป็นต้นคําที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นคําแสดงขนาดของทีวรพระสุคตนั้นคือด้านยาวคาว่าหกเปลี่ยนเป็นเปก้านะครับสี่ขั้วหน้าว่ามิชติโยนะครับเก้านะเก้าคือพสุขนนะครับด้านกว้างของคือพสุคข นี่เป็นขนาดของจีวรพระสุคตสมัยนี้คงไม่มีใหญ่เกินนะครับลองนึกดูว่าก้าคลื่นได้เท่าไหร่ครับคงไม่เจ็ดสิมห้านะครับไม่มีใครจีวรขนาดนี้เนะี่ยถ้าสองถึงยังไม่ถึงใช่ไหมไม่ถึงนะครับเจ็ดสิบห้าเซนนะครับด้านกว้างก็หกคลื่นพระสุคตนะครับ สี่เมตรครึ่งเนะสี่เมห้าสิบเลยนะอันนี้ไม่ต้องกลัวเพาไม่มีใหญ่เกินอยู่แล้วใครจะตัวถูกตัดตัวใหญยุกครจะบกตัวสูงขนาดพวงกาวสี่เมตร่งเล่นในองสีเรนอกบวถูกคนที่ประเทศจีนใช่ไมสมัยก่อนมีอยู่คนอหนึ่งสองเมตรกว่าใช่ไหมครับสองเมตรกว่าใช่ไหมตัวสูงที่สุด เดินได้ครับแต่ว่าผอมหน่อยนะอ้ครับออตาแล้วใช่ไหมครับเล่นตัวที่เล็กคนี่เล็กที่สุดเลอ่าก็มีคนทเกที่สุดประเทศทยอ๋อเลก่สุดมเล็กสุดอย่างในปเทศนะด้วยกีใไหมไม่ใช่ประเทศไทยแล้วมีผู้หญิงคนแรกๆนะอนแค่คนนี้เป็นคนงสองลูกแฝดอ๋อครับอือคับ ที่ประเทศไทยก็มีคนน่ที่สมบูรณ์แบบของนสืบมเมื่อก่อนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะแต่ตัวแรกๆครับแต่ว่าที่จีนแรกกว่านะมันก็เหมือนกันเด็กแต่แ็กๆใช่ไหมต้นใสกว่ามือนะอืทีนี้มนดูต้นมันย่างเลยนะโอยมนดูต้นมันใหญ่ อยากมาจากใครครับคนสมัยก่อนก็ตัวอยญ่คื้ก็ธรรมดาบริถาก็ใหญ่นะีะเรื่องพระนันทะนะครับโดยสมัยนั้นพระพาผู้ไดเจ้าประทุมอยู่ณพระเชตวันอารามของนันทะบิดีการข้ามปดีเขปพระนองสามัคคีครั้งนั้นท่านพระนันทะโอรถพระมาจุดฉาฝังพระพากเจ้านะครับ พระนานท่านเป็นพระอนุชาใช่ไหมคือน้องชายพุทธเจ้านะครับเป็นน้องชาต่างมารดาใช่ไหมเป็นลูกของพระนางมหาประชาบดีโคตมีใช่ไหมครับมันจะมีพระนานท์าและก็นางลูปนันธาใช่ไหมครับสองคนนี้นะใช่ไหมครับนี่นะเป็นพระอนุชามพุทธเจ้านะครับเป็นผู้ทรงโฉมเป็นที่ต้องตา่างต้องใจรูปงาม น, นะครับมากเลยนะ ตามความมุขพาะเจ้ า, จาสี่องคคุณีนะครับท่านทรงจีวรฟาสุคอนพิสุทเทระได้เห็นท่านพระนัน้างมาแต่ไกลนะครับก็สําคัญว่าพุทธเจ้าเสด็จมานะพเพราเห็นแต่ไกลมันต้องมีขขงท้าคลองแล้ะคล้ายๆอย่มากใช่ไหมยพราะเป็นพระอนุชานะครับท่านบอกว่าพระเทระนะพระเทระหลายองนะค์อยู่นะครับมีมหาบิรีลักษณะเหมืนกันเนี่ะมันใช่พุทธเจ้าองค์เดียวนะครับแต่ว่าไม่ครบนะครับ มาพุลักษณะของพระเถระที่เหลือมีเหมือนกันนะแต่ว่ามีไม่ครบทั้งเท่ 32, าไหร่นะครับจ้าจ้ั้สองช่ไหครับมาพุทลักษณะนะครับข้า น, นุเพรียชนะแปดสิทธใช่ไหมอือครับเนี่ย น, นะท่าก็จะพระองค์เสด็จมานะครับครั้นแล้วลูกจะอาสนะสาคัญว่ามืพระจ้าเสร็จม า, า, า, นานท่านพระนันทาเข้ามาก้าจึงจได้เออพรนันทานนี้ <c oughs> แล้วเคนเข้าดิเจนปูตนาว่าฉันไหน่านพระนันแะจึงได้ทรงจีวรเท่าจีวรของพระสุโคตเล่าและกากุง่งนร่องนั้นแบบนี้่อพระเจ้าพระรูงทรงสอบถามทรงติเตียนนะครับแล้วก็บริษัทฐานนี้ขึ้นมาอ <c oughs> ย่างอย่างหรี่ลายหน่อยนึงเลยอ๋อครับอ๋อคำที่บางเหมือนกันนะในการถามไมนพูดถึงนะไรนะทำเองก็ดีใช้ปู๋นทําก็ดี เป็นทุกขกดในประโยชนเมื่อที่ทำแหละนะเป็นปาฏิปีด้วยได้จีวรมาพื้นต่างเสียแล้วจึงแสดงอาบัตตกผมจะเนี้อฟังทั้หมดแล้วกันจะถูกาวไปอีก็เหมือนกันนะตนเองทําค้างตนเองทําต่อใช่ไหมครับตนเองทําค้างใช้ผู้อื่นทําต่อผู้อื่นทําค้างตนเองทําต่อผู้อื่นทําค้างใช้ผู้อื่นทําต่อเพื่อตอนต้องไปอีกทั้งนั้นนะครับทาเองก็ดีใช้ผู้อื่นทํำก็ดีเพื่อประโยชน์แกผู้ศึกอื่นต้องบัทุกฏ ด้าจีวรที่ผู้อื่นทําเสร็จแล้วมาใช้สอยต้กบัดทุกกฎนะครับอนาบัด ก, ก็คล้ายกันทําจีวรหย่อนกว่าประมาณได้ครับไม่เป็นไรของเราได้หย่อนอยู่แล้วนะด้าจีวรที่ผู้อื่นทําสําเร็จแล้วมาตัดเสียแล้วใช้สอยให้ได้ขนาดกอดเท่านั้นก็ใช้ได้หนึ่งครับทําเป็นผ้าถึงเพดานก็ดีทําป็ผ้าคปูพื้นก็ดีทําเป็นผ้ามากก็ดีทางเปืเ่อยผู้กุลีทำเป็นปลอกหมองก็ดี พิสูิน์ก่อนสิทธิ์พิสูจนอธิกรรมมิกะไม่ต้องอาบัตแล่นะครับนีะมูนมในกางฐานนะครับทีเดียวกลางฐานนะครับหน้าสองหกสามข้อที่สิบอธิบายนันทะสิกขาบท น, นะครับในสิกขาบทที่สิบมพีพระพาเจ้าทรงปราบท่านพระนันทะในเมืองสามวชิร์นะครับบรรยัติได้แล้วเพราเหตุคือการใช้จีวรที่มีขนาดเข้ากับจีวรของพระสุคต ทำที่เหลือมีในดังกล่าวไปแล้วในเรื่องของพระนิสิตนะอะไรครับเหมือนกันนะอาบัตรก็มีองค์สองแหละเป็นจีวรที่เกินประมาณใช่ไหมทำเองก็ดีใช้ทำก็ดีได้มานะครับจบการที่บายนันทศิขาบมนะครับัตนาวัตที่เก้าจบครับาการที่บายหมู่ปาสิตีล้ว น, นานจักราพระปาติโมชื่อว่ากังขาวิจรณีจบแล้วรูปประการชนิดนะครับ ในการนี้ก่ อ, ก อ, อารในวสุวิธีนิดนึ่งเราจบก่อนแต่นั้นน่ะมันจะมีสรุปในะสิก ข, ขาบทนะหน้ารักษสิบแปดนะครับเราดูในวสุวิธีนะ <c oughs> ท่านทั้งหลายในบัทที่ชื่อว่าปาจิตีเก้าสิบสองสิกขาบ ท, ข, าบทข้าพเจ้าสแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านทั้งหลายในอาบัติปาจิตีนี้ว่า